ทีนี้เคยมานอะอนุโมทนากับยิธรรมทุกทุกท่านวันนี้จะพูดไปรอดว่าไม่รู้นะว่ามันตอนนี้มาเลยแต่ซากชีวิตเลยนะปล่อยทิ้งมันไปหมดล้ะร่างกายยังไงมันก็กู้ขึ้นมาไม่ได้ละก็เหลือเวลาเป็นช่วงระยะสั้นๆวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นนะ่ะ นะอยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็รู้สึกว่าพอใจแล้วชีวิตของผมที่จริงผมอยู่มาเกินโอรต้าที่หมอให้เอาไว้ก็เจ็ดแปดเดือนแล้วนะอยู่มาได้ตั้งแปดเดือนมันพ้นระยะสามเดือนมาแล้วแต่ว่ามันมีเหตุนะมันมีเหตุที่อยู่มาได้ยาวนานถึงกระทั่ง อายุหกสิบพอดีในเดือนพฤษภาคมหกสิบพอดี <c oughs> ที่อยู่มาได้ก็เพราะว่าแรงอธิษฐานของญาติธรรมนี่แหละแต่ละท่านนี่อธิษฐานให้ผมดังนั้น <c oughs> ไปอินเดียก็อธิษฐานให้ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเตา่า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 ันใกล้ตัวเราเนี่ ย, ยอันนี้เป็นอวประกรอบคิดว่าสําคัญมาก เ, เป็นคนมีจิตมีใจที่จะช่วยเหลือเราจริ ง, จ, รงจากเจ็บหนักมันก็รู้สึกเบาผ่อนคลายเราไปได้ถ้าคนดูแลเราหน้าตาเคร่งเครียดคอยแต่บังคับขมขูให้จะกินแต่นั่นกินแต่นี่ไอ้นี่ห้ามรับรองโรคมันไปได้ไม่นานละเดี๋ยวมันก็ถอย <laughs>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 ยอมรับกับโรคไปแค่เจ็บที่เกิดขึ้นกับเราแล้วนะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางว่าไม่ใช่ว่าจะต้องให้มันหายเสมอไปเมันต้องกล้าได้กล้าเสียอหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรเราเราก็อยู่งเราไปอย่างนี้แหละโลคร้ายก็ตามถ้าเราตัดความกังวลออกได้เนี่ยโอ้โหมเกือบ มันมันมันหายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะเนี่ยตัดความกังวลออกได้อันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะผมก็ใช้เนี่ยองประกอบห้าอย่างเนะี <c oughs> ่ยอาศัยใจดีเป็นหลักไว้ก่อนสื่ออื่นไม่ดีไม่เป็นไรถ้าใจดีนี่ใจดีเท่ากับเป็นยาดีนะรักษาได้สุโรคท้งใจเราใจดีแล้วมันไม่เป็นทุกข์เนี่ย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 สื่ออะไรที่มันลึกซึ้งได้กว่าคำพูดจะเดิอดตั้มไปตดี๋นี้ไม่ค่อยมีแรงเอาแรงไว้หายใจอความสำคัญมันคือต้องหายใจบางทีลืมหายใจเคยลืมหายใจไหมเราถนลึกขึ้นได้เอายังเรายังไม่ได้หายใจต้องปั๊มด้านหน่อยออ ต, อต้องตั้งใจหายใจเลยนะมนไม่งั้นมันลงไม่ลึกอะลงแค่นี้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 เ, ออเราจําคำนี้ได้มันหยุดไม่ได้นะต้องหายใจเข้าไว้ยังไงก็ต้องหายใจเข้าไว้ตื่นเมื่อกลางดึกก็ต้องหายใจเข้าไว้บางปีมันแน่นหนะ้าอกเราหายใจไม่ออกอย่าหยุดหายใจนะทุกคนก็เหมือนกันนะถ้าไม่อยากตายอย่าหยุดหายใจหายใจเข้าไว้ตอนนี้เรื่องของร่างกายก็ประคองอยู่อย่างนี้แหละมันก็อยู่ได้นะ Oh, วันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ภูมิใจแล้วไม่ต้องการให้มันดีไป ก, นะ ก, กว่านี้แล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งใครมาเยี่ยมมาหาก็ยิ้มเขาดูได้ก็พอแล้วไม่ได้พุทธว่าอะไรอาศัยการยิ้มบอกบอกว่านี่แหละคือจิตสดใสแม่กายพิยการตัวจริงเราต้องมีอย่างนี้และที่นี้ ไหนว่ามางานหลวงพ่อคำเขียนแล้วเราก็อยากจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหลวงพ่อคำเขียนผมนี่เวลาอยู่วัดป่าสุกตนี่ไม่คยได้คุยกับหลวงพ่อคเขียนมากส่วนมากหลวงพ่อก็จะผ่านมาหาแล้วก็มาคุยด้วยนะบางทีท่านก็หาเรื่องจะมาหาเรา คือท่านออกจากยาเจ้าออกจากกุฏิอ่ะออกวันเดินมาคุยกับเราวันหนึ่งวันออกพรรษาเนี่ยวันที่ออกพรรษาเนี่ยเราก็จะกลับบ้านแต่เราก็ต้องไปแวะที่วัดธรรมาไฟหวานไปแวะหาหลวงพ่อคําเขียนเป็กกลาเพื่อจะลากลับบ้านออกพรรษาและวตอนนั้นอยู่วัดบาสุกโตไปกับคุณพ่อ ลุงพ่อก็เดินมาจากกุติเดินมาเกาะที่รถเนี่ยรถคุณชัดเนี่ยผมอาศัยรถคุณชัดรถปิกอัพเก่าๆลุงพ่อก็มาอวยพรเอถ้ากลับไปแล้วก็อย่าลืมกลับมานะบ้านหลังที่สองมาตายที่นี่ตายที่นี่ออ่าหลุงพ่อพูดแล้วเราก็เลยถือโอกาสถามเลยอี่รุ่นนั้นเนี่ยที่วัดป่าสุกโตเนี่ย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 เป็นคำถามที่ถามครั้งแรกที่เจอหลวงพ่อพ่อบอกว่าทำตัวดูให้เด่นหัวระยะกายหัวระยะจิตถ้าทำตัวดูให้เด่นได้เมื่อไหรล้วก็จิตจะเป็นวิมุตติอันเนี้ยเดี๋ย ว, วถ้าเด่นแล้วหลุดพ้นเลยนะโอ้โเพียงแค่นี้เราก็กลับไปบ้านไปไปดู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 แล้วมีเสียงล ะ, ละครละครังเพื่อจะฉันลุงพ่อจะมาที่หลังนะไปจันที่หลังให้พระที่ไปช่วยเนี่แป๊บแป๊บไปนะไปสาราไปฉันเตรียมตัวฉันนะลุงพ่อก็จะเดินมาที่หลังแ ล, ล้วลุงพ่อก็มาถึงที่กุฏิผมตอนนั้นคุณแม่ผมไปแทนคุณพ่อคุณพ่อเสียชีวิตไปละคุณพ่อนละ้ไม่ใช่ลุงพ่อ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 เพชรแห่งธรรมท่านะคำว่าผู้ดูเนี่ยเป็นมีแค่เพชรแห่งธรรมนะเป็นตัวสร้างเหตุในการเข้าถึงตัวผลนะเป็นเพชรแห่งธรรมแต่ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเป็นมงกุฎแห่งธรรมซึ่งเป็นตัวผลที่เกิดจากผู้ดูนะโอ้นี่มันก็นลึกไปอีกสั้นหนึงนะ เนี่ยักการฝึกผู้ ด, ดูเนี่ยการเจริญสติเนี่ยต้องวางใจเป็นผู้ดูไว้ก่อนดูกายมันเคลื่อนไหวดูใจมันคิดนึกให้เป็นผู้ดูไว้ก่อนอันนี้ถือจจว่าเป็นเพชรแห่งธรรมแล้วดูไป น, นานๆเ น, นี่ยมันจะเกิดผลจนเห็นความไม่เป็นอะไรกับอะไรในภาวะที่เป็นผู้ ด, ดูมันก็ลึกกว่าสกุลไปบอกต่อๆกันพอไปบอกต่อๆกัน นะว่ามันมีแรงพูดแล้วไปบอกต่อๆกันนะนี่มาครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนี่ก่อนที่หลุงพ่อจะอาพาธตอนนั้นอาพาธไปแล้วที่จุฬาแล้วหายนะหายอมาอยู่วัดแล้วก็มาเยี่ยมผมที่บ้านอที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมที่กรุงเทพมาเยี่ยมมาเตือนอาจารย์กำพล อย่าพูดธรรมะนานๆนนพูดธรรมะนานๆแล้วมันเสียพลังอืให้พักผ่อนให้มากๆท่านเตือนเอาไว้ตั้งแต่นั้นมาต้นมาเนี่ผมไม่เคยเชื่อหลวงพ่อนีผมก็ยังทํางานผมอย่างเงี้นะ่ะนะไปต่างประเทศไปพูดธรรมะพูดธรรมะพูดจนชม่วโมงครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็พูดได้นะอพูดสุดท้ายมัน แต่ที่หลวงพ่อบอกอ่ะมันหมดแรงแล้วก็เด้งเด้งอะไรก็คือร่างกายทนไม่ไหวใช้ร่างกายเกินความจำเป็นนะยกของเกินน้ำหนักตัวอืมก็ <c oughs> เลยกลับมาจากต่างประเทศจากญี่ปุ่นจากมืงจีนนะกลับมามาโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไม่อยู่ ต้องอาศัยโรงพยาบาลเสาให้ของเนี่ยที่คุณหมอสุวัสดิ์อยู่เนี่ ย, เ, ย, เ, ยเกือบจะไม่รอดพูดไม่มีเสียงเจ็ดวันไม่ใช่ว่าเสียงแหบนะพูดไม่ได้มันเหนื่อยจกนกระทั่งไม่มีแรงพูดคิดว่าเออคราวนี้เราคงจะต้องไม่รอดแล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเสาให้ วัสละบุรีหนึ่งปีเต็มๆโอ้ร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นนะี <g ül> ่ก็เลยตั้งใจว่าเอาล่ะนะพอเราออกจลงพยาบาลถึงขั้นเป็นมะเร็งแบบนี้แล้วคนจะหยุด ท, ทีเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะไม่เคยไปผู้ที่ไหนไม่เคยพูดเด่นนานขนาดนี้ด้วยก็คิดว่ากาศจะ ประกาศแขวนใหม่ปกตินักมวยจะแขวนนวมแล้วก็ประกาศแขวนไมมบ้างลราหันว่าคว้าย่าดมเพราะมันไม่ไหวเอานะอนุโมทนาบุญทุกท่านที่มาในงานนี้นะก็ขอให้ได้บุญกลับไปมากมายนะครับสาธุ